อาจารย์าหน้าร1อยสิบปัทัดแรกข้างบนนะคะเหตุกัจจิอันสหอระคตด้วยอุเบขาดวงหนึ่งอันนี้ถ้าหมายถึงหัสิตุ ป, ปาถ้ามันต้องสหอระคตด้วยโสมนัสนะคะหน้าร้อยสิบหน้านี้เลยคะ่ะที่กำลังสอ น, น, นะะเห็นแนละ้วแต่จะดูบาลีน บาลีาาาก็เป็นอย่างนั้นเขาก็แปลรักษาศัพท์ได้เป็นอย่างดีกิรยาหีตุกะมโนวิญญาณธาตุอุเปกขาสักขาตาบาลี <c oughs> าลท่านก็นว่างนั้นนะน ก็อุเปขาสังตาหิตุกะจิตตังปัญจสัตวาชวนานิเนี่ยนะก็แปลถูกแล้วน่นะก็คำพีท่านว่างนี้ก็คิดเอาไวแล้วกันสรุปว่าดังที่กล่าวมาเนี่ยนะก็พยายามพิจารณาในจักขบนะคือเอาสามารถเอามาใคร้ครวนได้นะแต่ละทวารแต่ละทวารแต่ละทวาร ทั้งจากขุทวารโสตะทวารขาณนทะวารเชิวหาทวารกายทวารซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะชีวิตของเราตั้งกระเกิดมาก็เกี่ยวกับเห็นนี่ทวารอยู่เนี่ยมีอยู่6ประตูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขุดทีละประตูก็ได้เนี่ยนะถ้าแบบพูดแบบทฤษฎีขุดหนูก็ได้ขุดขุดเอาอะไรนะขุดเอาตัวเงินตัวทองในจอมปลวกเนี่ยนะก็ขุดทีละทวารนะขุดทวา น, นี้เสร็จเอาขุดทวานอื่นบ้างอาไม่ค่อยขุดไป ซึ่งก็ยังว่านะผู้ที่จะมาพิจารณาสิ่งระดับนี้เนี่ยจะต้องทํำไมวิสุทธิเบื้องล่างๆจึงต้องดีเนี่ยนะสีลวิสุทธิต้องดีจิตตาวิสุทธิต้องดีทิฏฐิวิสุทธิดีกังขาวิตรณะวิสุทธิต้องแม่นยํามากหลักการปริยัตินิชํานาญชัดเจนหมดแล้วก็จึงมาไขขวนสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านนั้นวิปัสนาสมัยใหม่จึงไม่ชอบให้คิด อันน่ะนี่มันคิดแล้วมันไม่ทันอารมณ์รอกอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปมันจะไม่ทันอารมณ์ได้ยังไงอดีตจังเก็บเอามาพิจารณาได้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปวิ่งตามให้ทันอารมณ์ถ้าวิ่งตามให้ทันอารมณ์จริงๆนั้นน่าจะเหนื่อยตาย น, น, นะเชื่อไหมเช่นเดี๋ยวทางตาเอาเอาแข็งอีกแล้วเดี๋ยวก็วิ่งตามเดี๋ยวก็เอานี่หมาเห่าอีก ก, กาหนดเสียงโอยเชื่อเหอถ้าใครเจริญเอาจริงเอา จ, งอาจังเลยนะคงจะเพี้ยนภายในเจ็ดวันนะนไ ในเจ็ดวันคงแก้ไขา ย, ยากเป็นโรคจิตต้องใช้ยาช่วยเลยแหละเนี่ยนะนั่ น, ะนถือไหนี่ก็มีคนบางคนที่เจริญเอาจริงเอาจังเนี่ยนะหนักๆเข้าแล้วก็ก็เครียดเลยก็ต้องออกจากการปฏิบัตินะแล้วก็อีกบางพวกก็ยิ่งแบบอะไรกลัวแม้กระทั่งว่าถ้าจะ ก, กําหนดก็กลัวเนี่ยนะกลัวแม้กระทั่งว่ากลัวกลัวทำอะไรอย่างใด อ, อย่างหนึ่งจะเป็นอัตราหนักๆเข้าก็ไม่ค่อยกล้าหายใจเหมือนกัน กัวจะเป็นอัตราไปหายใจเ อ, อันนี้เรื่องจริงนะคนที่เข า, เาหลักการสมัยใหม่ที่เขาเสนอแนะเนี่ยนะถ้ามีคนมาสอนข้อปฏิบัติแล้วเปิดใครเอาไปทําตามเอาจริงเอาจังนะเกือบบ้า จ, จนได้แหละเพราะหลักการเหล่านั้นไม่ควรต่อการเพ่งท่า น, นถ้าพิจารณาในระดับสูงจริงๆจะรู้ว่ามันยุ่งเหยิงไปหมดมันขัดกันเองยุ่งไปหมดแล้วใครทําตามนะั้นจะมีข้อเสียหายยังไงยังไงแต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักวิสุทธิมรรคเนี่ยนะ ซึ่งเป็นการสรุปใจความในพระไตรปิฎกมาแบ่งข้อปฏิบัติตามวิสุทธิเจตจะไม่มีคําว่าเพี้ยนมีแต่จะหายเพี้ยนขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันจะเริ่มเป็นคนดีขึ้นดีขึ้นจิตจะสงบขึ้นอะไรขึ้นเขาจะมีแต่เป็นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติถูกแล้วเป็นอย่างนั้นพระโยคาวจรผู้หนึ่งแม้พิจารณารูปตามการพิจารณานามตามการอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นสู่ตรายลักษณ์ปฏิบัติตามลําดับย่อมทํา ปัญญาภาวนาให้สำเร็จหมายคำว่าบรรลุพาหะด์โดยลำดับแห่งการบรรลุอุทยพยานยาคือสามารถเก็บเอาแต่ละอย่างนะเช่นถ้ารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าลองมาทบทวนดูว่าเอากรรมมชรูปเหล่านั้นก็ที่กรรมมชรูปที่ทำให้เกิดในตั้งปฏิสนธิมารูปเหล่านั้นก็สิ้นไปแล้วที่อยู่ณนะที่นั้นนะ ก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาค่อยๆไล่มาทั้งรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารเชื้อรูปพิจารณาอย่างนี้มาเรื่อยแล้วนามที่ความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเช่นการเห็นในอดีตก็สิ้นไปแล้วในแต่ในสีทั้งหลายที่เคยไปเห็นในอดีตอดีตอดีตทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปหมดแล้วเสียงที่เคยได้ยินโสตะนะเรคือความเป็นไปแห่งนามรูปทั้งหลายที่เป็นอดีตทั้งหมดอนาคตพบต่อไปถ้าจะเห็นจะได้ยินรูปที่เกิดจากสมุทฐานสีก็ลักษณะเดียวกัน นำมาทำทั้งหลายที่อยู่ในทวารเหล่านั้นนั้นในอนาคตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็ไม่มีสาระอะไรเหมือนกันแล้วในปัจจุบันชาตินี้ที่กําลังเป็นไปอยู่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยปัญญาที่ละเอียดก็จะสามารถวิจัยไคร่ครวนได้อย่างสุขุมลุ่มลึกเนี่ยนะแต่ถ้าไคร่ครวนไปมากๆเป็นต้นก็ย่อมนํามาซึ่งความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็สามารถที่จะตัดฉันทราคะในขันท่าทั้งมวลเหล่านี้ได้อะนะ แต่นี้พูดคําพูดแบบนี้เนี่ยนะท่านจะชี้แนวแห่งการแทงตลอดโลกุตระเอาไว้เสมอแต่ถ้าไม่บรรลุท่านจะพูดแบบพวกปัญญาโน้ยทั้งหลายจะค่อยๆอธิบายทุกอย่างอย่างอย่างละเอียดบางคนก็บอกละเอียดจนไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่บางคนนะนะคือสรุปเรื่องไม่ได้เลยนะก็แสดงว่าโอ้โหเป็นอะไรนะเป็นประเภทปทะป ร, ะประมะสมปู์แบบมากแต่ก็ถึงปฐะประมะนะถ้าเราตั้งใจเรียนไว้ชาติหน้าเราก็ต้องรู้เร็วว่า ใช่ไหมก็เราเรียนชาตินี้เอาไว้แล้วนะว่าปุเพกะตะปุญญาต า, าไว้แล้วชาติหน้าเราต้องเก่งจนได้เลยนะก็คิดอย่างนี้แหละก็มีกําลังใจศึกษามาจนถึงทุกวันนะเราเรียนชาตินี้ไว้เยอะนะชาติหน้าเราก็เรียนน้อยหน่อยแต่ชาตินี้ก็ไม่เรียนชาติหน้าแน่ใจนะว่าจะเรียนอีกนะม่เจอพระพุทธเจ้าบอกพระองค์เทศอะไรทำไมยุ่งอย่างนี้ก็เลยอาจจะ บ, บ่นนี่ก็กลับบ้านเลยเขาเนี้ยนะ เกี่ยวกับรูปสัตกะอารมณ์สัตกาเห็นแล้วหายใจเฮือกเลยนะดูเวลาไม่ใช่อะไรหรอกเลิกกี่โมงกันนี่วันนี้คนละครึ่งนะมันมาถึง3ามทุีต่ออีก3ชั่วโมง ถ้าจะให้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องรูปศัตรากะรูปศัตรากะนี่คงเป็นเสราร์อาทิตย์จะดีที่สุดเนี่ยนะพราะจะได้มีเวลากล่าวได้อย่างละเอียดพิสดารหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็เวลามาันจากัดพันถ้าพูดอะไรก็อยากจะพูดให้มันจบเนื้อหา น, นะไม่อยากทิงไว้กึ่งกลางกลางก็ก็มันก็จะเดินรู้สึกว่าจะรีบเร่งไปหน่อย น, ยนะถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์น่าจะดีส่วน ส, สาหรับวันนี้ถ้าอยากจะอะไรก็คงเป็นสนทนาก็ได้น ก็ถ้าอย่างนี้ก็มีอะไรเก็บมาสนทนาได้หมดอนะ่ะถามได้หมดนะนะตอบไม่ได้หมดอีกเรื่องหนึ่งถามเรื่องอื่นบ้างก็ได้ดนะะเพราะบางคนก็เวลาเราอธิบายเรื่องนี้อยู่ก็บางทีก็ถามเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็กลายไปเป็นเรื่องอื่นอันถ้าเอาเวลาอย่างนี้ให้ถามก็ไม่ค่อยจะถามอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่สงสารคนตัดต่อเทปนี่แหละคือถามว่าทาไมต้องตัดออก เพราะบางเรื่องมันมันมันดีเฉพาะที่คําถามคําตอบบางอย่างเนี่ยนะถ้าอยู่ในห้องฟังไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าไปอาออกสถาพิทยุเป็นต้นเนี่ยนะประชาชนเขาหลากหลายที่ฟังอยู่บางทีฟังแล้วมันไม่ค่อยเหมาะเนี่ยนะเนื้อหาไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาเอาของไม่ดีออกไปก็ไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็บางคําถามบางอย่างมันกระทบผู้อื่นเนี่ยนะกระทบผู้อื่นเราก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นเพราะว่ามันก็ อะไรนะสร้างความคุณข้องหมองใจให้แก่กันโดยไม่มีประโยชน์อะไรจึงเราเองก็ไม่อยากให้เขาเป็นบาปในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องไปล้างตราบาปที่เราทำเอาไว้อีกนี่นะมันก็เสียเวลามากนี่นะคือเวลาที่เหลือน่าจะเอาไปเรียนอริยสัจให้เยอะๆเจริญผ่านครับขอถามพระคุณเจ้าที่เล่าเรื่องมีพระภิกษุไปเจริญสามสิบปีครับไม่ทราบว่าตอนนั้นเนี่ย เป็นเพราะเหตุไรท่านจึงไม่บรรลุท่านมีวิริยินสรีมากเกินไปหรือยังไงครับในคำภีท่านก็ไม่ได้วิจารแต่วิจาราพูดถึงว่านั่นน่ะในหัวเรื่องว่าโทมนัสอาศัยนฆะ ม, มะนะแต่ถ้าจะกล่าวอีกหนึ่งคือท่านไม่ได้สังเวกวตถุพราเด็กนายหนึ่งนะเพราะคนที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยจะต้องไล่สังเวกวตถุเนืองเนือง ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะท่านต้องการบรรลุจนจนเขาเรียกว่าคล้ายๆกับพระอนุน่ะนะกรณียกตัวอย่างว่าพระรูปนั้นกับพระอนุนเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันคือวิริยินทรีย์มีกําลังเกินไปนะแล้วก็คือคือไอเอกต้องการจะบรรลุจนจนสมาธิินรียไม่ทํากิจนะจนสมาธิินรีไม่ไม่ทำกิ จ, จ เพราะว่าการเจริญหรือการปฏิบัติที่สามารถทำให้ตรัสรู้นั้นสมถาวิปัสนาต้องเคียงคู่กันไปแล้วในขณะตรัสรู้เนี่ยสมถาวิปัสนาต้องต้องต้องเป็นยุคคณะธรรมคือตีขนานกันเลยแต่ว่าในตอนแรกก็ต้องสลับกันไปสลับกันมาสลับกันมาสลับกันไปแต่ผู้ที่อยากบรรลุจริงๆเนี่ยจะไม่น้อมจิตไปเพื่อเจริญสมถะบ้างเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นี้จึงอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่าน มันถ้ากล่าวตามนั้นก็คือวิริยินทรีเกินไปนะแต่ว่าพระพูดถึงสมัยใหม่นะข้อมาก็ไม่ค่อยเห็นใครวิริยินทรีเกินไปเลยนะ น, น, นั่งเจริญอุทจจะเนี่ยนี่เห็นไม่หลับไม่นอนแล้วก็ฟุ้งทั้งคืนเนี่ยนะแล้วก็ฟุบวันที่เจ็ดวันที่แปดขึ้นไปก็โอ้ยเราก็เดือดร้อนอีกแล้วบอกท่านเอ้ยท่านก็แบ่งเวลาบ้างนะผมที่เกียดพาท่านไปโรงพยาบาลนีะนะ บางคนก็เป็นอย่างนั้นก็คือถือเอาไม่หลับเป็นประมาณก็นั่งไปนั่งทำโน่นทํานี่ไปไม่ใช่เจริญกรรมฐานอะไรหรอกนั่งไปก็นั่งฟุ้งซ่านไปแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็พอระดับหนึ่งสามวันผ่านไปมาเริ่มเครียดขึ้นเครียดขึ้นเครียดขึ้ น, นก็แทนที่จะดีกลายเป็นไม่ดีเพราะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะการศึกษาข้อปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะชัดเจนมีความรู้สึกว่าจะต้องรีบปฏิบัติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ยังไม่รู้ว่าทําอะไรเหมือนอย่างว่าเครื่องยนต์มันเสียเนี่ยนะอยากจะรีบซ่อมให้มันเร็วที่สุดภายในคืนนี้โดยที่ไม่มีรู้วิชาความรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรเลยมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเชิญถอนแต่พูดถึงสมัยโบราณเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักการปฏิบัติท่านไม่สงสัยโดยประการทั้งปวงแต่อัยอัธยาสัยแรงกล้าที่ต้องบรรลุให้ได้นี่มันมีกําลังมากจนไม่มีใครไปหยุดท่านได้ พอท่านไปทําจนสุดฤทธิ์แล้วเนี่ยนะสุดไอไอความต้องการนั้นนะใจมันก็ผ่อนคลายลงพอผ่อนคลายลงนั้นนะการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยอินทรีย์ต้องประชุมกันเพราะฉะนั้นถ้าอินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งเลยเกินไปก็อินทรีย์ที่เหลือไม่สามารถทํากิจของตนได้ตัวสมา สตินซีนี่ที่เคยได้ยินมาเนี่เหมือนกับว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าไอ้สองอย่างนี่ต้องเสมอกันสองคู่เจนพร้อมใช่สมาทินซีแอบคิดง่ายๆนี่ว่าถ้าศรัทธามากเปินไปก็จะหนักไปในฝ่ายงมงายถ้ามีปัญญามาบวกด้วยจะเลื่อมใสในพระันตนะใจเนี่ยนะถ้าปัญญาเกินไปอีกบุญก็จะไม่ทํา เพราะจะมองว่าทุกอย่างอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอุป า, าททถีติพังฆ่าทานก็ไม่ให้ซีนก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เจริญบุญอะไรไม่ทําเลยเพราะมองทุกอย่างเกิดดับหมดเพราะนั่นก็บอกว่าโรคตัวนี้รักษายากมากเหมือนกับว่าโรคที่เกิดจากยารักษายากที่สุดผู้ที่มีความเห็นว่าทุกอย่างอุป า, าททถีติพังฆ่าเกิดดับลักษณะนี้พวกนี้ไม่น้อมไปให้ทานพนะจิตไม่น้อมไปแม้กระทั่งจะให้ทานอันนี้ปัญญาเกินไป คำว่าเกินไปนี่บอกว่าปัญญานี่มันใกล้ต่ออะไรใกล้ต่อมานะนะใกล้ต่ออกุศลส่วนอื่นๆแต่ถ้าปัญญาจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกนะถ้าปัญญาตามวิสุทธิที่กล่าวไปตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิจารณาวิสุทธิแต่อาศัยปัญญาอยู่หน่อยเดียวที่เหลือมานะเอาไปหมดเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะนํามาเสื่อความเสียหายแต่ถ้าศรัทธากับปัญญาคู่กันเป๊ะเนี่ยจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนไม่เลื่อมใสก็นึกถึงพระองค์ไม่ได้เลื่อมใสอย่างเดียวถ้าไม่มีปัญญาก็รู้คุณของพระองค์ไม่ได้จะต้องมีศรัทธากับปัญญาควบคู่กันไปจึงเจริญพุทธคุณได้พุทธคุณในที่นี้ไม่ใช่เจริญพุทธประวัตินะพุทธคุณไม่ใช่พุทธประวัติเพราะว่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีอะไรมีสามอย่างใช่ไหมหนึ่งปุพพัชจริยาคุณสองสริระคุณสามคุณะคุณเจริญพุทธคุณนี่เจริญคุณนะคุณ คุณคุณคือคุณธรรมตั้งแต่เจริญอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีศรัทธาเจริญไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็เจริญแล้วก็ไม่รู้จะเจริญว่ายังไงก็ได้แต่ท่องไปนะพันศรัทธากับปัญญาต้องควบคู่กันไปจึงเจริญพูธานุสติเหล่านี้ได้เนี้ต่อไปวิริยะถ้าเพียรเกินไปก็หนักไปในทางฟุ้งซ่านคิดมาครูจะต้องเอาจะต้องบรรลุให้ได้เร่งจริงจริงเร่งซะจน จนฟุง้งซ่านทีนี้ถ้าสมาธิเนี่ยนะถ้าใครที่เจริญสมาธิโดยที่ไม่ยอมที่จะรู้ว่าสมาธิเนี่ยจะต้องควบคู่กับความเพียรหมายคําว่าเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลแต่ถ้าดิ้งเอาสงบอย่างเดียวก็นิ่งก็เป็นหลับละ <c oughs> เพราะาไม่รู้ว่าสงบเพื่อกําจัดอกุศลสงบเพื่อให้กุศล พ, พ่อกพูนขึ้นก็แยกไม่เป็นพราะแยกไม่เป็นมันนิ่งเมื่อไหร่ก็น้อมไปที่จะหลับ ดังนั้นก็ไปไปดูวัดที่นั่งกรรมฐานส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนหนึ่งเนี่ยนั่งสับประงกกันทั้งนั้นแหนละพอเปิดไฟขึ้นมาก็นั่งโยกกันอยู่นั่นแหนละสั่น ง, งกุยของหน้าสงสารเนี่ยนะก็ไปหลับไปนอนจะได้จะได้พักผ่อนเนี่ยนะบางคนนั่งถ้าบางคนเนี่ยโอ้ยประงกหัวประงกซ้ายน้ำลายไหลยืดก็มีนะนะมีให้เห็นเยอะเนี่ยนะเพราะขอมานี่ผ่านแม่พวงนี่มาพอสมควรเนี่ยนะ เห็นมาสารพัดชนิดอันนั้นคือสมาธิเกินโดยที่ไม่รู้ว่าเจริญสมาธิเพื่อกําจัดอกุศลวิตกเพื่อจเจริญกุศลวิตกเนี่ยนะเพราะเขากลัวว่ากลัวจะเป็นการตรึกแต่เขาไม่รู้ว่าองค์ชานว่าประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกตาพวกนี้เลยไม่น้อมไปเพื่อจะตรึกอะไรให้มันก่อให้เกิดเนคข ม, มวิตกเพื่ออบรมสมาธิเขาไม่เอาก็เลยไม่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นว่าจะต้องกําจัดอกุศลวิตกเพื่อเจริญเนคข ม, มวิตกเป็นต้นให้มากๆเนี่ยนะจึงจะสามารถเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นได้ถูกต้องพอแยกไม่เป็นเข้าก็เจริญแต่อกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะก็นิ่งเป็นหลับเมื่อไหร่อั้นพวกฝึกสมาธิบางกลุ่มเนี่ยนะพอนั่งปั๊บมาหลับทันทีเลยนั่นะบอกอได้เวลานั่งเจริญสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็สับสงกแล้วเดี๋ยวก็นั่งดูเดี๋ยวก็นั่งสับสงบสงกหน้าพงกหลังบางทีก็ผงะบ้างก็มีนะ บางแห่งเกิดไปพูดถึงว่าไอพ้พระงั้นยังนั้นได้ยานบางอย่างนะบางพวกใส่ ย, ยานเขาอีกยุ่งมากเลยนะบางพวกนี้วุบไปเนี่ยนะคือมันอดหลับอดนอนมานั้นวุบไปนั่นอ่ะดับได้แล้วเพราะงั้นนะเข้าหลับอดับได้แล้วโอ้ยมันมีสารพัดอย่างจริงๆโลกนี้มันวิจิตจริงๆอ่ะนะทขันห้เนี่ยสังกิเลสิกธรรมโตไม่ต้องแปลกใจว่าขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสคือตันหาบั้งสังกิเลสคือทิฏฐิบ้างสังกิเลสคือ ทุจริตบ้างมันก็เป็นอย่างนี้เพราะอินทรีย์เหล่านี้นะสมาธิกับวิริยะต้องควบคู่กันไปต้องพอดีกันฉนั้นตัวตัวปรับนี้ก็คง ใ, ใช้สตินีใช้สติคือสติตัวนี้เกิดจากความเป็นปหูสูดเห็นสติสติตัวนี้ที่เกิดจากความเป็นปหูสูตศึกษาข้อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศรัท ธ, ธามาเป็นอย่างดีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญญามาเป็นอย่างดีแล้วมันสมดุลกันแค่ไหน อันนี้ต้องอ า, อาศัยพื้นฐานความเป็นปหูสูตรนี่มาช่วยแล้วแค่ไหนจึงจะเรียกว่าวิริยะแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสมาธิแล้วมันควบคู่มันเป็นไปได้ด้วยกันได้ยังไงวันสติในที่นี้คือความชัดเจนนนะความไม่เลอะเลือนความไม่สับสนทั้งมวลนะกหนดแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรต้องต้อ ง, ต, องต้องทำอะไรไม่ต้องทาเป็นต้นเนี่ยนะท่านจึงอุปมาสติเหมือนปรินายกแก้ว ปรินายกก็คือนายกอที่จะต้องไปรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องรู้ทั้งหมดและสั่งการได้หมดเลยว่าจะต้องไปทําอะไรตอนนี้จะต้องเจริญอะไรอะไรอุปการะมากอะไรไม่มีอุปการะมากไปต้นเขาะจะรู้ทั้งหมดเลยนะเร า, าภาระนะครับสติภาระมันเกี่ยวกับสตินินรียยังไงครับสติ สตินีเนี่ยนะคือสตินี้พ่ออัตถาว่าเป็นใหญ่ในการน้อมใจในในการอุปถานะการตั้งมั่นเนี่ยนะส่วนสติพะละก็คือไม่หวั่นไหวในความหลงลืมไม่หวั่นไหวในความเลอะเลือนอ่ะนะคือคื อ, ค, อคือมั่นคงในความไม่เลอะเลือนจริงๆเลยมั่นคงมากจนไม่มีอะไรมาทําให้เลอะเลือนได้ไม่มีอะไรมาทําให้เลอะเทอะได้นะนะไม่มีสมนวน ว, นว่าไม่มีใครทําให้สติสับสนได้สติลักษณะ น, นั้นเป็น สติพละเนี่ยนะค to to ําว่าพละนี่แปลว่าไม่หวั่นไหวเช่นศรัทธาพละไม่หวั่นไหวต่อความไม่ไม่ไม่เลื่อมใสเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมาทําให้ศรัทธาพละเนี่ยเปลี่ยนไปได้เรียกว่าไม่หวั่นไหวในความไม่เลื่อมใสสติอวิริยะพละไม่หวั่นไหวในความเกียดคร้านหมายความว่าถ้ามีวิริยะพระ integral, <What S 2> ใครชวนให้เกียดไม่ได้ถ้ามีสติพละเนี่ยใครจะมาพูดให้เลอะเลือนก็ไม่ได้พูดให้สับสนเนี่ยไม่มีคําว่าสับสน จับประเด็นแม่นยําหมดเนี่ยนะถ้ามีสมาธิพระไม่มีอะไรมากวนให้ฟุ้งได้ถ้ามีปัญญาพระไม่มีวิชาใดจะมาแทรกได้ถ้าสว่างจริงนะั้นไม่มีความมืดใดไปปิดได้เพรางนั้นอันนี้คือลักษณะของพระแต่ที่จริงถ้ากล่าวตามจิตตุปาถการก็สมาธินสี่สมาธิพระก็คือสิ่งเดียวกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นต่างกันโดยวิธีการอธิบายแต่ตัวสภาวะก็คือ มันเดียวกันบอกว่าพี่อีทอาจารย์ปียานี่เหมือนกันไหมอย่างเงี้ยก็คือมองในคคนละแง่นะครับพาน้องเรียกก็จะเรียกพี่ไปอะไรไปแต่ถ้าเกี่ยวกับว่าเออมีสิทธ์มีอะไรก็เรียกครูเรียกอาจารย์เรียกอะไรไปตามเรื่องตาม ร, ราวนะก็คนเดียวกันแต่ว่ามองคนละฐานนะมองคนละมุมเท่านั้นเองเพราะบางอย่างก็เป็นแค่ไวยพจน์เนี่ยนะเป็นไวยพจน์อย่างเช่นคําว่าสติสติปฐานสตินสีสติภละสัมมาสติสติสัมโพชฌงนี่ก็คือสิ่งเดียวกัน สติตรงนั้นต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะด้วยใช่ไหมครับมีมีคำว่าสัมปชัญญะถ้าเป็ น, นในพระสูตรไนหะ<ม>สัมนวนพระสูตรเนี่ยคือการใช้คําว่าสติตามที่คุณถามนี่ต้องแบ่งว่าตอบแบบพระสูตรหรือตอบแบบพระพิธรรมถ้าตอบแบบพระพิธรรมเนี่ยสติเป็นโนสภณะสาธารณะนะหมายคำว่ามีปัญญาประกอบก็ได้ไม่มีปัญญาประกอบก็ได้เกิดร่วมกับกุศลก็ได้เกิดร่วมกับวิบากก็ได้เกิดร่วมกับกิริยาก็ได้ เพราะในขณะหลับทุกคนจะมีสติหมดเลยตามแนวอภิธรรมนะถ้าหลับแบบไม่ฝันนะเพราะอะไรเพราะสติก็เกิดร่วมกับมหาวิบากอันนี้พูดแบบอภิธรรมมันถ้าอย่างนี้สติแบบนี้ก็ไม่ชื่อว่าแบบสติที่ประสงค์ที่เป็นมรรคอะไรแต่สติในพระสูตรเนี่ยถ้ามีคำว่าสติที่ใดที่นั่นมีสัมปชัญญะร่วมด้วยเพราะถ้าสติไม่มีสัมปชัญญะก็ไม่สามารถทํากิจของตนได้ ละจะต้องหนึ่งต้องมีสาถกะสัมปชัญญะสองมีโคจรสัมปชัญญะสมีสัปพายาสัมปชัญญะสี่มีอาศัมโมหสัมปชัญญะเนื่องจากมีสัมปชัญญะเหล่านี้ไปควบคุมเขาเขาจึงทํากิจของสติได้เพราะฉะนั้นสติที่ในสติในพระสูตรเนี่ยนะบอกว่าเรากล่าวว่าสติจําปรารถนาในที่ทั้งปวงเป็นต้นเนี่ยคำนี้หมายถึงว่ามีสาธมีสาถกะสัมปชัญญะเป็นต้นเกิดร่วมด้วยสติจึงทํากิจของตนได้ คือลักษณะของสติเนี่ยถ้ากล่าวบอกว่าสติเนี่ยทำให้สามารถระลึกถึงพยัญชนะได้สัมปชัญญะทําให้เข้าใจอัตถะของพยัญชนะได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนึกถึงแต่คําได้แต่ว่าอธิบายอะไรไม่ได้ก็สตินี้บางทีก็แปลแบบไทยๆก็คือนึกได้นั่นแหละถ้าแปลแบบสัมโนนไทยจริงๆนะก็คือนึกได้นึกออกนึกได้นึกออกว่าอะไรเป็นอะไรเช่นคนมีทรพัพย์ก็นึกถึงได้ว่าตัวเองมีทรัพย์อะไรบ้าง นะตัวเองมาจากที่ไหนมันสติเนี่ยนะรูปแบบไทยบางทีก็แปลเหมือนว่าจำได้เช่นที่พระองค์อุปมาว่าผู้ที่ระลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติ4ี่ชาติเนี่ยด้วยอำนาจปุกเพนิวาสานุสติยานก็เหมือนอย่างว่าเมื่อตอนบ่ายใช่ฟังธรรมบ่ายสามเนี่ยจบเลิกเลิกเดินไปที่ไหนบ้างไปะนะไปคุยกับใครขึ้นรถยังไงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยังไงไปจอดลงยังไงเปิดประตูแล้วก้าวเท้าไหนลงไปก่อน ไปทำอะไรที่ไหนเวียนไปแล้วก็กลับมานั่งเนี่ยนึกออกหมดเลยไม่เบลอไม่เลอะเนี่ยเรียกว่ามีสติเขาบอกแม้ฉันใดพวกที่ระลึกชาติได้ก็ลักษณะนั้นจะระลึกออกทั้งหมดแต่ไม่ใช่นั่งดูหนังที่เหมือนกับว่าเปิดดูวีดีโออะไรไม่ใช่ลักษณะนั้นคือนึกออกทั้งหมดเลยที่ผ่านมาอันนี้เป็นลักษณะอนุภาพของสติคือระลึกได้ก็คือนึกออกอะนะในสิ่งที่ทาคาที่พูดแม้นานได้ ถ้ามีสัมปชัญญะร่วมร่วมด้วยเขบอกว่าสิ่งที่ทํานี่ประกอบไปด้วยอะไรก็คือจิตเป็นปัจจัยแก่จิตแตชรูปทําให้เกิดกายวิญญัติเกิดขึ้นนั่นเป็นาสามารถวิเคราะห์ตามหลักอาสามโมหะสัมปชัญญะทำปริญญาต่อไปได้เลยคือสติที่เกิดร่วมกับสัมปชัญญะนึกถึงคําที่เคยพูดได้ก็เจตนาที่เป็นเหตุแห่งคําพูดนะเจตนาตัวใดเกิดขึ้นแล้วธรรมวจีวิญญัติเป็นยังไงอะไรเป็นรูปธรรมนามธรรมจําแนกสิ่งเหล่านั้นได้อย่าง ละเอียดละอีที่ท้วนอรักษณะนี้เรียกว่ามีสติขอถามเพิ่มกับสัญญาอย่างนี้สัญญานี้ก็เป็นการจําก็คือจําไว้แต่ว่สตินี่ระลึกระลึกออกมาทํานองนี้ใช่ไหมครับสัญญาเนี่ยท่านอธิบายในลักษณะรูปประสัญญาสัทธสัญญาคันธาสัญญาเป็นต้นแล้วก็เป็นกาลมาสัญญาเป็นไปกับกุศลสัญญาบ้างอกุศลสัญญาบ้างอันอนุภาพของสัญญาเนี่ยจะรับรู้แค่สิ่งเฉพาะหน้า เช่นสัญญาวันนี้สีขาวนี้สีเขียวนี้สีเหลืองนี้สีดํานี้สีแดงแต่โยงอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะการเชื่อมการโยงไม่ใช่กิจของสัญญาพันจิตของสัญญาเนี่ยสัญญาท่านจึงอุปมาเหมือนเด็กๆ เ, เท่านั้นเช่นเด็กเห็นสตังเนี่ยนะเห็นเหรียญมันก็จะรู้แบบเหรียญเออนี่เหรียญเนี่ยกลมๆนะก็แค่นี้ไม่รู้รายละเอียดโยงไปหาอะไรไม่ได้เลยนั่นคือลักษณะของสัญญาจิตยังโยงได้มากกว่านั้น ถ้าปัญญาก็รู้อะไรมากกว่านั้นอันนั้นคือคือลักษณะของสัญญาเั้นสัญญานี่แค่ตัวธรรมชาติของเขาก็คือรับรับทราบเฉพาะอารมณ์ตอนเฉพาะหน้าเท่านั้นโยงอะไรไม่ติดเลยแม้แต่ริ้วเดียวอันนั้นคือลักษณะของสัญญาแต่ภาษาไทยเนี่ยคาภาษาไทยเนี่ยมันจํากัดภาษาไทยเนี่ยตามโบราณแล้วจริงๆภาษาไทยมีคําอยู่ไม่มากแล้วคําภาษาไทยนยีมันมันอะไรเป็นคําโดดๆ คำโดดๆเลยนะภาษาไทยภาษาเขเมรเหมือนกันคำโดดๆทั้งคู่เลยแต่ถ้าเป็นภาษาที่เจริญแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคำโดดเว้นแต่อุทานเช่นไม่อย่างเงี้ยนะก็จะมีเป็นคำอุทานอะไรออกมาน่ยนะแต่ถ้าเป็นคำพูดที่เรื่องมีเรื่องมีราวมีเป็นอะไรนจะต้องสองพยางอั น, นะเช่นมาตาเนี่ยของไทยเราแม่อย่างเดียว น, นะบาลีก็มาตาปิโตอย่างเงี้ยนะปิดาของไทยเราก็พ่ออย่างเดียว หมูช้างมา้าวัวควายถ้าเป็นบาลีนจะต้องเช่นสุกระสุกรอย่างเงี้ยนะสุนัข ท, ที่เราเรียกว่าหมาเนี่ยก็สุนัขขาเนี่ยนะสุนัขขาเนี่ ย, ยคือคื อ, คอจะต้องคำเนี่ยจะต้องหลายพยางหลายหลายหลายๆอย่างมากนี้ภาษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะนามธรรมอธิบายไม่ได้ลองไปแปลนามธรรมดูทีอันสนะโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติ แล้วก็ไล่ไปเจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะแปลไม่รู้จะแปลว่ายังไงเหมือนกันให้แปลมาให้เป็นคนไทยฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เลยแปลทับศัพท์ไปเลยหมดเรื่องแปลเหมือนไม่แปลแต่ถ้าแปลออกหมดอีกก็อ่านไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะให้เราเข้าใจว่าอะไรพอมาอ่านพระไตรปิฎกบางเล่มที่แปลทุกคาเลยนะสติก็แปลปัญญาก็แปลอะไรก็แปลออกหมดเลย อ่าแล้วงงไปหมดเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะมันของมาก็ว่าบอกว่าใครที่ศึกษาธรรมะได้ในยุคนี้นะก็ยอมรับว่ามองทาบุญเก่ามาไม่ใช่น้อยแล้วก็ต้องเป็นคนสันชาติแห่งคนกลา้าคือคนมีความเพียรพอสมควรจึงจะทําได้ไม่อย่างนั้นก็ก็ไม่ง่ายหรอกเราจะต้องใช้ความเพียรในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วย และที่แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเราศึกษาทำไมตรงนั้นคือหัวใจสำคัญทำไมเราต้องศึกษาศึกษาแล้วมีประโยชน์ยังไงอะไรยังไงคือพื้นฐานยาณสัมปยุตเหล่านี้ต้องดี ใครจะถามอะไรไหมคุณเวลาวันจะกลับบ้านนล้จะถามอะไรบ้างแล้วเอาก็ถามก็ถามคือเรื่องที่เขาถามกันดิไปถามเรื่องอะไรก็ถามก็ถามมริยัศตรามะธรรมโมเนี่ยแหละเขไปถามเรื่องอะไรล่ะก็มีนะมีโยมคนหนึ่งคนหนึ่งเอ่อ ท่านผู้การรู้จักกับอาจารย์ได้อย่างไงไง